Thank mm -hmm. you. เดยนี้สินค้าหรือบริการอะไรเนี่ยจะขายได้หรือขายดีเนี่ยก็ต้องมีวิธีการเชิญชวนและการเชิญชวนอย่างหนึ่งที่นิยมกันมากเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่าโปรโมชั่นนะเช่นการลดแลกแจกแถมโดยเฉพาะสินค้าหรือบริการที่อยากจะให้ผู้บริโภคใช้อย่างต่อเนื่องอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือบริการใช้เครือข่ายสัญญาณนะ โทรศัพท์มือถือพวกนี้ไม่ต้องถ้าจะใช้อย่างต่อเนื่องหรือว่าเป็นสมาชิกใช้เป็นประจำเนี่ยอธิขาดไม่ได้เลยก็คือโปรโมชั่นเนี่ยเป็นการเชิญชวนให้คนได้ลองใช้อาจจะด้วยการคิดราคาถูกๆหรือว่าเพิ่มแจกบริการอื่น ถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือก็มีสัญญาณเน็ตนะฟรนะนะีเท่านี้เท่านั้นเมกนะนะทุกเดือนแต่ก็ไม่ใช่ตลอดนะนะโปรโมโชั่นนี่มันก็มีช่วงเวลาแล้ววิธีนี้ก็มักจะได้ผลนะเพราะคนเห็นนะการลดราคาแถมแล้วก็สนใจบางทีทิ้ง เครือข่ายเก่านะมาใช้เครือข่ายใหม่เหตุผลเดียวคือว่าโปรโมชั่นมันดีนะอันนี้ก็เป็นที่นิยมกันแต่ว่าพอใช้จนชิ้นอใช้จนชินหรือใช้จนคุ้นแล้วเริ่มติดละนะพอหมดโปรโมชั่นนะคราวนี้แหละราคาที่เคยลดนะมันก็เพิ่มขึ้นที่เคย แจกที่เคยแถมก็หายไปอย่างที่เ้าเรียกว่าเนี่ยพอหมดพอหมดโปรแล้วเนี่ยอะไรแล้วก็เปลี่ยนไปต้องจ่ายเพิ่มขึ้นบางทีมีปัญหาช่วงช่วงยังไม่หมดโปรนี่ก็มีการให้บริการดีแต่พอหมดโปรแล้วบริการที่เคยให้ที่เคยทำให้สะดวกสบายก็หมดไปก็กลายเป็นภาระขึ้นมา จริงๆไม่ใช่เฉพาะสินค้าหรือบริการนะที่ผู้ผลิตผู้ค้านี่เามีวิธีการเชิญชวนด้วยโปรโมชั่นหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันก็มีวิธีการเชิญชวนด้วยตัวมันเองเหมือนกันนะไม่ต้องรอให้ผู้ผลิ ต, ใ ห, ลตให้ผู้บริการมาทำหน้าที่โปรโมทให้ที่เหง่ายๆคือพวกเนี่ยสิ่งเสพติดเนี่ยนะบุหรี่เหล้า หือยาเสพติดเนี่ยนะใหม่ๆมันก็มีวิธีการเชิญชวนนะให้เราเกิดความนิยมนะเชษนเสพไปแล้วนี่ก็เกิดการเคลิ้มนะหรือว่าเกิดความรู้สึกที่เรียกว่าอารมณ์ที่ ปราถนามันเกิดความเคลื่มเกิดความพึงพอใจแล้วก็ทำให้หลงติดพอชอบใจแล้วก็นี้ก็ใช้เพิ่มขึ้นเสพเพิ่มขึ้นหนักขึ้นจนทั่งพอติดเข้าเนี่ยอนนี้มีปัญหาแล้วเพราะว่าผลเสียหรือโทษของมันก็เริ่มปรากฏ เกิดการแห้งเกิอดอาการขาดไม่ได้ถ้าขาดเมื่อไหร่ก็เกิดการลงแดงขึ้นมาขาวนี้ก็ต้องนขนายดล้นเพื่อที่หามันมาหามันมาแล้วแต่ก่อนเสบนิดเสหน้อย ก, ก็เพลินหรือว่าได้รับความพึงพอใจแต่ว่าตอนหลังนี่ต้องเสบหนักขึ้นนะถึงจะได้ผลเท่าเดิม ก็กลายเป็นท่ายของมันมันก็คงคล้ายๆกับสินค้าหรือบริการที่ใหม่ๆก็มีการเชิญชวนด้วยโปรโมชั่นพอคนติดแล้วขาดมันไม่ได้แล้วคนนี้ก็ต้องยอมจ่ายเพิ่มขึ้นพอหมดโปรซะแล้วที่จริงไม่เฉพาะสิ่งที่เป็นเรียกว่าสิ่งเสร็จติดนะที่มัน มีวิธีการเชิญชวนหรือถึงขั้ล่อลอกคนด้วยรสชาติที่พึงปรารถนาเสร็จแล้วก็ตามมาด้วยความทุกข์จนกระทั่งต้องเป็นท่าของมันหรือว่าจนเกิดอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนา เกิดปัญหาสารพัดเกิดโรคภัยไข้เจ็บอันนี้เรียกว่าช่วงหมดโปรพอหมดโปรแล้วโอ้ยสารพัดเลย น, นอกจากอารมณ์ที่พึงปรารถนาจะเกิดขึ้นได้ยากแล้วยังมีโรคภัยตามมาสิ่งเสศต่างๆเนี่ยที่เราเรียกว่ารูรดกินเสียงที่น่าลอใจเนี่ยหรือว่ากามเนี่ยมันก็เหมือนกันนะ ใหม่ๆมันก็มีวิธีการเชิญชวนให้คนเนี่ยเกิดความพึงพอใจจนหลงติดเช่นให้รสชาติที่อร่อยให้ความสุขที่เสพได้นะด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกเสพใหม่ๆก็มีความสุข แต่พอติดมาแล้วเนี่ยนะเสพไปเสพไปเนี่ยมันเกิดเบื่ อ, ท, อ, อที่เคยอร่อยที่เคยอร่อยตั้งแต่มื้อแรกคำแรกหรือได้เสพครั้งแรกเนี่ยมันไม่ใช่แล้วจาก่อนเสพครั้งแรกก็อร่อ ย, ยแต่แต่ต่อไปนในเสพคำแรกครั้งแรกมันไม่อร่อยแล้วมันต้องเสพอีกหรือว่าต้อ ง, องมี อะไรใหม่ๆตามมามีชนั้นก็จะสึกเบื่อเหมือนกับที่หลายคนบอกว่าเนี่ยดูหนังจนเบื่อเลยเนะฟังเพลงจนเบื่อเลยอันนี้เราหมดโปรแล้วพอหมดโปรนี่ความเมล็ดอร่อยก็หายไปมันมีความเบื่อเข้ามาแทนที่แล้วถ้าจะอยากจะได้รสชาติเหมือนเดิมมีความสุงเหมือนเดิมก็ต้อง เสพให้หนักขึ้นหรือว่าต้องหาสิ่งใหม่ๆมาปนเปรื้ออันนี้คือสิ่งที่เราสัมผัสได้สังเกตได้นะถ้ว่าใครครวนแต่ทั้งหมดที่พูดมานี่มันต่างจากธรรมะนะธรรมะเนี่ยมันจะไม่มีการเชิญชวนนะด้วยสิ่งที่น่าพึงพอใจทั้งที่ธรรมะจะเป็นสิ่งที่ดี ปรเซร์ดมากแต่เพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ปรเซอร์นะจึงไม่มีการเชิญชวนนะด้วยรสชาติที่อ ร, อร่อยหรือว่ามีโปรโมชั่นนะธรรมะนี่เ ป, ปรเซอร์อย่างไรนะธรรมะาจะไม่ได้ทําให้เราได้โชคได้ลาบรวดเร็วทันใจถึงแม้ว่าหลายคนจะมีความเข้าใจอย่างนั้น นเนดยเพราะการพยายามทำบุญให้มากๆาด้วยความหวังว่าจะได้มีโชคได้ลากและโชคลาภไม่ต้องทันใจด้วยนะเดี๋ยวนี้หลายคนก็ท้าทีไหนมีการบูชาพระเจ้าทันใจโอ้รีบไปเลยือพระเจ้าทันใจนี่ก็มีเยอะมากเลยนะหลายแห่ง พาคิดว่าพอเชื่อว่าถ้าทาบุญกับหรือบูชาจาักระ พ, พระพุทธรูปนั้นแล้วเนี่ยนะจะได้โชคลาภทันใจหลายคนเข้าใจนะว่าเนี่ยหรือมีความคาดหวังธรรมะเนี่ยจะทำให้มีโชคมีลาภได้รวดเร็วทันใจแต่ธรรมะจริงๆนะไม่ได้ทนอย่างงินนะ แต่ธรรมะได้ให้เราดีกว่านั้นนะไม่ได้ให้โชคลาภแต่ให้สิ่งที่ดีกว่านั้นแก่เรานั่นคือว่าเมื่อมีโชคมีลาภแล้วเนี่ยก็ทำให้เราไม่หลงติดหรือว่าไม่เพื่อเพลินจนประมาทคางคนเป็นมากเนี่ยได้โชคลาภเช่นถูกรถตุลิรามาที่หนึแล้วเนี่ยปรากฏว่าหลงติดนะ หลงเพลินจนประมาทท้ายลาบน้ำกายเป็นทุกขลาบเพราะว่าทำให้ติดเหล้าติดยาติดอบายมุกซึ่งเกิดจากการใช้ทรัพย์ใช้ลาบนั้นอย่างไม่ฉลาดปนเปือจนกระทั่งติดอบายมุกแต่ว่าถ้ามีธรรมะเนี่ยมันจะไม่ทำให้เกิดโทษอย่างนั้นนะ ธรรมะแม้จะไม่ได้ให้ลาบแก่เราอย่างเร็วเร็วทันใจแต่ว่าก็ทําให้เราเนี่ยเมื่อได้ลาบมาแล้วเนี่ยก็ไม่หลงติดไม่ประมาทแล้วขณะเ ด, ยเดียวกันเนี่ยแม้ธรรมะนี่จะไม่ได้ป้องกันความสูญเสียพัดพราดไม่ให้เกิดขึ้นกับเราบางคนก็ไปคาดหวังว่ามีธรรมะแล้วเนี่ย หรือทําบุญแ ล, ล้วเนี่ยจะไม่พบกับความพัดภลาสูญเสียอันนี้ก็เป็นการคาดหวังที่เกินจริงไปธรรมะนี่ไม่ได้ป้องกันไม่ให้เกิดความพัดภลาดสูญเสียอย่างนั้นแต่ว่าช่วยทําให้โอกาสที่จะเกิดความพัดพลาสูญเสียเนี่ยมันน้อยลงเพราะว่ามีความ ไม่ประมาทมีความระมัดระวังนะมีสติในการใช้ทรัพย์แต่แม้และแม้ว่าจะเกิดความภพาพังสูญเสียขึ้นมาธรรมะก็ช่วยทำให้ใจไม่ทุกข์ ม, มารถจะไม่ได้ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บไม่ให้เกิดขึ้นกับเราถึงแม้ว่าธรรมะนี่จะช่วยทำให้เรามีสุขภาพดีก็าตามเช่น ถ, ถ้าเรารู้จักกินนะ อย่างมีสติกินเพื่อบํบำรุงสุขภาพนะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินเนี่ยในการที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายเพราะการกินอย่างขาดสติมันก็เกิดขึ้นน้อยแต่แม้จะระวังเพียงใดโรคมันก็ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดา่อนแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังต้องอาพาธเจือเหพระอาหารหันต์ทั้งหลาย แต่ว่าเมื่อใจ็ป่วยแล้วเนี่ยนะมันก็ป่วยแต่กายใจไม่ทุกมันจะมีอะไรที่ประเสริฐเท่านี้นะเมื่อป่วยก็ป่วยแต่กายแต่ว่าใจไม่ป่วยใจไม่ทุกเมื่อสูญเสียก็สูญเสียแต่ทรัพย์นะแต่ว่าใจก็ยังเป็นปกติสุขได้แม้สูญเสียคนรักนะพ่อแม่คู่ครองลูกหลานแต่ว่า ก็ไม่เสียศูนย์ใจก็ยังเป็นปกติอยู่ได้เจอปัสสาวอะไรนะใจก็ไม่ทุกข์และที่จริงก็ยังมีความสุขได้แม้ในยามป่วยแม้ในยามพัดพรากมันทำให้ใจเราเนี่ยเป็นอิสระนะต่อความ ผ, ล ผ, ลผลันผวนป่วนแปรนะซึ่งเป็น ธรรมดาเป็นศัจธรรมที่ไม่มีใครหนพีพ้นแม้จะมีน้อยนะแต่ว่าก็ไม่รู้สึกขับแค้นนะกลับรู้สึกเป็นสุขและพึงพอใจเพราะมีความสันโดษซึ่งทำให้รู้สึกร่ำรวยตลอดเวลาอย่างที่พูุ้ทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยสันโดสนี้เป็นทรัพย์อย่างยิ่งใครมีสันโดสนี่ก็ถือว่า เปลี่ยนไปได้ซั์ไม่รู้สึกพร่องไม่รู้สึกขาดนั่นีเรียกว่าธรรมะเนี่ยเป็นของดีของประเสริฐนะดีกว่าสินค้าบริการจานวนมากที่ไม่ใช่ของดีของแท้แต่ว่าต้องอาศัยการอาเชิญชวนด้วยโปรโมชั่นด้วยรสชาติต่างๆเพื่อเป็นการล่อลอกให้คนมาสนใจ เสร็จแล้วก็ต้องอเป็นทุก์สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นภาะระธรรมะเนี่ยนอกจากไม่มีการเชิญชว น, นด้วยความเมร็จอร่อยหรือว่าด้วยสิ่งที่ดึงดูดใจแล้วเนี่ยกับเต็มไปด้วยบททดสอบบททดสอบเนี่ยนะมันทำให้หลายคนเนี่ย พอเจอธรรมะแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่ตั้งใจจริงหรือไม่ใช่คนจริงเนี่ยก็ถอยเพราะมันต่างกันเลยนะสินค้าบริการและการมาสุขทั้งหลายเนี่ยมันนำหน้าด้วยนะรสชาติที่อรอร่อยนะเป็นการเชิญชวนหรือล่อๆอให้คนนะ่มาหลงติดแต่ธรรมะเนี่ยไม่ได้ให้ใครมาหลงติด แล้วก็ไม่ได้มีการเชิญชวนด้วยสิ่งที่ดึงดูดใจแต่ว่าเต็มไปด้วยบททดสอบเพื่อพิสูจน์ว่าเนี่ยคนที่มาสนใจธรรมะเนี่ยสนใจจริงหรือเปล่าบททดสอบนั้นเช่นอะไรบ้างนะก็คือความยากลำบาก ความไม่สมหวังใครที่จะมาสนใจธรรมะโดยเพา่อบำปฏิบัติธรรมเนี่ยใหม่ๆจะรู้สึกว่ามันยากยิ่งมาปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญภาวนาแทนที่จะรู้สึกว่าโอ๊ยมันง่ายเกิดกำลังใจที่จะปฏิบัติไปเรื่อยๆนะเหมือนกับ โรงเรียนบางแห่งนะที่เขาทำข้อสอบ ง, ง่ายๆให้เด็กเด็กทำก็สึเออมันง่ายนะก็เลยมาเรียนวิชานี้ดีกว่าถ้าธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นนะคนที่จะเข้าถึงธรรมะได้นี่มันต้องผ่านบททดสอบความยากลำบากนะความไม่สมหวัง แะอาจจะพบกบความผิดหวังอันนี้ผมไม่ตางจากครูบาอาจารย์นะที่เวลามีลูกศิษย์มาลูกศิษย์บอกว่าเนี่ยอยากจะมาปฏิบัติธรรมกับอาจารย์ครับอาจารย์แทนที่จะสอนแทนที่จะแนะนําให้ไปปฏิบัตินะก็กลัให้ไปทําอย่างอื่นไปทําครัวไป อาบน้ำไปผ่าฟืนไม่ทำแค่วันเดียวสองวันบางทีทำเป็นเดือนเลยหลายคนที่อยากจะมาปฏิบททัตนะิธรรมพอเห็นว่าธรรมานี่เป็นสิ่งดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐแต่พอเจออาจารย์สั่งให้ทำอย่างอื่นนะให้ไปอาบน้าผ่าฟืนหลายคนก็เลิกเลยนะไปที่อื่นแทนเฉพาะคนที่ตั้งใจ ที่อาจารย์สั่งให้ทําอะไรก็ทําตรงนั้นแหละนะจึงจะผ่านบททดสอบแล้วก็สามารถจะปฏิบัติธรรมเรียนธรรมจากอาจารย์ได้บททดสอบที่ว่านี้มีไว้เพื่ออะไรนะเพื่อพิสูจน์ว่าเนี่ยที่มาสนใจธรรมะเนี่ยสนใจจริงหรือเปล่านะหรือว่าอาจจะสนใจเพราะเห็นว่าธรรมะนี่ดีแต่ว่าไม่ได้มีความคิดที่จะ ลงทุนลงแรงกับมันเลยหลายคนเป็นอย่างนั้นนะรู้ว่าธรรมะหรือเชื่อว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ดีช่วยทําให้ออกจากทุกข์ทำให้สามารถที่จะเป็นสุขได้แม้ว่าจะเจอความพัดภา ด, ดสูญเสียเจอกับโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าไม่ได้มีความตั้งใจจริงในการที่จะลงทุนลงแรง้าธรรมะนี่เหมือนครูบาอาจารย์ที่ว่าเนี่ย ถ้าจะมาถ้าจะม า, าศึกษาธรรมจะมาเข้าถึงธรรมเนี่ยนะก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเนี่ยเป็นคนตั้งใจจริงหรือเปล่าจึงต้องเจอความยากลำบากและสิ่งที่จะช่วยทำให้เผชิญความยากลำบากแน่นได้คือความอดทนอดทนนี่นเรื่องแต่ อดทนอดกลั้นต่ออารมณนะ์เช่นความอยากเช่นความอยากเสพรสชาติที่เอร็ดอร่อยหรือความปรารถนาในสิ่งที่เรียกว่ากามาสุขสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าคนนี้ไม่มีความอดทนอดกลั้นนะมันจะให้ทิ้งการปฏิบัตินะไปเที่ยวดีกว่านะไปสนุกสนานดีกว่าั น, นั้นก็เป็นนะเรียกว่าไม่อดทนต่อ สิ่งเยาย ว, วนหรือแรงเยาย ว, วนของกามกามปสุบไม่อดทนต่อกามปสุบฉนนะัต้องอดทนต่อความโกรธหรือว่าปฏิฆะเพราะถ้าอดทนต่อปฏิฆะเนี่ยมันก็ทําให้ไม่เพียงแต่ทิ้งทิ้งความเพียรแต่มันทําให้ยังทําให้ทําในสิ่งที่เป็นอัตธรรมหรือว่าละทิ้งธรรมก็ได้ คนที่มีความโกรธเนี่ยมันยากนะที่จะปฏิบัติธรรมได้เพราะามีแต่จะทำในสิ่งที่เป็นอธรรมหรือว่าทาในสิ่งที่ผิดธรรมแม้จะเพียงแค่ใช้คาพูดนะที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี่มันก็เป็นอธรรมล้เป็นวิชาวาจามีพุทธภารรษิตว่าเนี่ย ผู้โกรธย่อมไม่เห็นธรรมงนั้นถ้าใครที่สนใจธรรมแต่ว่าไม่อุดท น, นต่อความโกรธเนี่ยมันก็ยากที่จะปฏิบัติธรรมได้ก้าวหน้าหรือว่ามีธรรมะ เ, เป็นที่พึ่งได้นอกจากอดทนต่อตันหาหรือว่าการมฉันทะอดทนต่อความโกรธหรือปฏิฆาแล้วเนี่ยต้องอดทนต่อ ้ความยากลําบากเพราะว่าปฏิบัติธรรมนี่มันก็ไม่สบายบางทีต้องทําทั้งวันจริงๆก็ไม่ได้เหนื่อยอย่างเท่ากับการไปทํางานบางอย่างด้วยนะงานบางอย่างนี่มันยังเหนื่อยยากกว่าเช่นงานขุดดินงานกรรมกรแต่หลายคนนี่กลับรู้สึกว่าทําอย่างนั้นยังดีกว่าไปปฏิบัติธรรมเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืน แต่นอกจากอดทนกบความยากลบา ล, ลเนี่ยไม่ต้องมีความอดทนอีกอย่างหนึ่งนะคืออดทนในการรอคอยอดทนในการรอคอยนะผู้ปฏิบัติหลายคนเนี่ยพอมาถึงตรงนี้นี่ก็เรียกว่าส อ, าอบตกนะเพราะไม่ค่อยมีความอดทนในการรอคอยเท่าไหร่ ปฏิบัติทำได้ไม่นานนะเช่นมาตจริญสติมาทำสมาธนะิทำได้ไม่กี่วันก็เลิกแล้วถามว่าเลิกเพราะอะไรเพราะว่าเลิกเพราะว่ามันฟุ้งเยอะหรือเกินมันมีอารมณ์รบกวนมากหรือเกินจริงเนี่ยการที่อารมณ์ มันรบกวนีปความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็เป็นบททดสอบของธรรมะเหมือนกันนะ่าเทียดูว่าเราตั้งใจจริงหรือเปล่าคนที่ไม่ตั้งใจจริงคนที่มีความอดทนรอคอยเนี่ยทำไปได้สักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็เลิกแล้วเพราะว่าใจไม่สงบสักทีใจมันฟุ้งเหลือเกิน แล้วบางคนก็ไม่ได้ทํานานเท่าไหร่นะทำแค่5นาที10นาทีพอใจไม่สงบก็ข อ, ท, อ, อทําแบบนี้ทั้งสองาวันสีห้าวันพอใจไม่สงบทั้งทีทั้งที่ทําแค่ห้านาทีสิบนาทีก็เลิกถ้าอย่างนี้เรียกว่าสอบตกนะเพราะว่าไม่มีความอดทนเราคอย าการที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งนะคือรู้จักอดทนรอคอยได้ซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่หายากนะในคนสมัยใหม่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ทําอะไรมันก็เกิดผลรวดเร็วทันใจทุกอย่างนี่เขาก็ ต้องทำเลยให้มันได้ผลสำเร็จเร็วๆจะกินอาหารก็ต้องกินอาหารฟาสต์ฟู้ดจะกินกาแฟาต้องกินกาแฟอินสแตน์คอฟฟี่ทีนี้คนนี้น ใ, นใจร้อนเมื่อใจร้อนเนี่ยก็มีความอดทนรอคอยแลพะพอมีความอดทนรอคอยเนี่ยก็กสอบตกนะเพราะไม่บไม่ผ่านบททดสอบของธรรมะ ถ้าจะปฏิบัติทำได้เนี่ยนะต้องมีสิ่งนี้เลยนะความรู้จักคอยมันจะฟุง้งต่อเนื่องไปเท่าไหร่นะก็คอยได้ซึ่งก็ต้องอา้ัยความอดทนนะอทนรอคอยได้เนี่ยมาต้องอดทนที่จะไม่ไปไปต้านกับอารมณ์ น อ, อกจากการอดทนไม่ไปตามอารมณ์เช่นความโลภตัณหาหรือว่าราคะหรือว่าโทสะแล้วเนี่ยที่ต้องมีความอดทนในการที่จะไม่ต้านอารมณ์หรือความคิดฟุ้งซ่านที่มันเกิดขึ้นมันจะฟุ้งก็ฟุ้งไปก็แค่ดูมันเฉยๆแต่ว่าหลายคนทนไม่ได้นะอยากจะให้สงบเร็วๆนะก็เลยไป ไปกดข่มมันไปต้านอารมณ์เหล่านั้นไปสู้ลดตบมือกับมันเพื่อมันหายไปไวๆใจจะได้สงบเร็วๆที่จะให้ใจสงบเร็วเเพราะอะไรเพราะใจร้อนนะแล้วเพราะใจร้อนเองนะจึงไม่มีทางประสบผลสำเร็จ แต่ถ้าทุจริตอดทนรอคอยมันจะฟุ้งก็ฟุ้งไปดูมันเฉยเฉยหรือบางทีก็ต้องท่องคาถาชั่งมันไม่เป็นไรชั่งมันไม่เป็นไรถ้าเรารู้จักชั่งมันนะหรือไม่เป็นไรกับอารมณ์และความฟุ้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เพียงแต่ทําให้เรารู้จักอดทนรอคอยได้เท่านั้นนะ มันทำให้เรารู้จักปล่อยวางได้ด้วยนละนี่คือตัวธรรมะที่สำคัญเลยบททดสอบเนี่ยเขามีไว้นะเพื่อไม่ใชเ่เพียงเพื่อดูว่าเราจริงใจจริงจังกับการปฏิบัติหรือเปล่าแต่เพื่อฝึกให้เราเนี่ยรู้จักนะอดทนรอคอยได้แล้วก็รู้จักปล่อยรู้จักวางนะด้วยการนะ วางใจว่าเออช่างมันไม่เป็นไรซึ่งตรงนี้มันมีค่ามีความสำคัญยิ่งกว่าการที่ใจมันสงบเร็วเซีวสิกนะหลายคนอยากให้ความสงบเกิดขึ้นไวๆสมมติว่ามันเกิดขึ้นจริงนะแต่ว่าสิ่งที่ไม่ได้เลยคือการรู้จักอดทนรอคอยและการรู้จักมีอุบายที่จะปล่อยที่จะวาง ธรรมะเนี่ยนะเขามีวิธีการนะที่จะสอนเรานอกจากมีวิธีการทดสอบแล้ ว, ว่าเราจริงจังจริงใจแค่ไหนแล้วเนี่ยก็มีวิธีสอนเราให้รู้จักปล่อยรู้จักวางให้รู้จักอดทนรอคอยด้วยการปล่อยให้ความคิดมันฟุ้งปล่อยให้อารมณ์มันกระจาย ถ้าใครถ้าคนไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยนะหรือคนที่ไม่จริงจังเนี่ยไม่มีความตั้งใจเนี่ยก็พ่ายแพ้ตั้งแต่ด่านแรกแล้วแล้วก็ไม่มีแล้วก็ไม่ได้อะไรนที่เป็นชิ้นเป็นอันนะจากการปฏิบัติเลยเพราะนั้นเนี่ยเวลามันเจออุปสรรคต่างๆในระหว่างการปฏิบัติเจอความไม่สมหวัง นะก็ให้รู้ว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่มาทดสอบความตั้งใจของเราแล้วขณะเดินกันก็เป็นสิ่งที่มาฝึกให้ใจเราเมีความพร้อมในการปฏิบัติธรรมในการที่จะเรียนรู้ทำให้มากขึ้นนะดยการรู้จักคอยอดทนนะต่ออุปสรรคแล้วก็รู้จักปล่อยรู้จักวาง รวมทั้งรู้จักยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับใจของเรา น, นี่คือธรรมะที่สําคัญมากที่คนมักจะมองข้ามเพราะเป็นเล็งแต่ความสงบแต่ว่าธรรมะที่ประเสริฐกว่านั้ น, นกับมองไม่เห็น ก, ก็เลยทำให้ไม่ได้รับประโยชน์จากธรรมะเท่าที่ควรยิ่งเลิกลาท้อถอยทิ้งการคันก็ยิ่งไม่ได้อะไรเลย อ๋อเย็นนี้พทธนี้นะกลาบครบ